อธิบายว่าก็ในการใดพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเสด็จอยู่ในถามกลางเทพบริษัทเสด็จอยู่ในถามกลางมารบริษัทหรือเสด็จอยู่ในถามกลางพรหมบริษัทรัศมีจากสริระของใครคือของเทวดาของมารหรือของพรหมก็ตามในบริษัทนั้นย่อมไม่อาจแผ่ไปคมพระรัศมีจากพระวรกายของพระผู้มีพระภาคเจ้า แต่พระรัศมีจากพระวรกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมแผ่ไปในตรีระของเทวดามารและพรมเหล่านั้นทั้งหมดครอบงามดำรงอยู่เพราะเหตุนั้นท่านพระสังคีติกาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าไม่มีเทวดาตนไหนมีผิวพรรณงามรุ่งเรืองยิ่งกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นงดงามรุ่งเรืองยิ่งกว่าเทวดาทั้งปวง นี้คือความวิราชแห่งพระรูปนั้นปัญหาว่าความที่พระรูปวิราชนั้นใครไม่พึงคิดเป็นอย่างไรมีอธิบายว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ศรัทธาเลื่อมใสเหล่าใดเหล่าหนึง่งยืนดูพระสิริแห่งพระรูปแม้ตลอดกำหนดแห่งอายุย่อมไม่ถึงความอิ่มด้วยการดูบางคราวพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้สามารถเสด็จดำเนิน ประทับยืนประทับนั่งประทับนอนในท้องเมล็ดพันุ์ผกาศบางคราวก็ทรงสามารถใช้อัตภาพปกปิดโลกธาตุหนึ่งได้คือพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเมืองของเท้าส ก, กะเพื่อทรงสแสดงพระอภิธรรมสเสด็จเข้าไปใกล้ปันทุกามพลศิลาอาจในครั้งนั้นเท้าส ก, กะทรงดําริว่าพระผู้มีพระภาค เ, เจ้าเห็นจะเสด็จเข้าจาปรญษาในที่นี้ ตลอดสามเดือนจำเดิมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งแล้วอาสนะนี้ย่อมเป็นเช่นกับห้องแห่งพระเจดีย์เทวดาเหล่าอื่นย่อมไม่อาจจะวางแม้ซึ่งมือก็พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสูงสิบแปดศอกและอาสนะนี้ยาวหกสิบโยศกว้างห้าสิบโยศหนาสิบห้ายโศเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบนอาสนะใหญ่เห็นปานอย่างนี้แล้วย่อมไม่งาม จะเป็นเหมือนเวลาที่นกกระเตนเกาะอยู่บนแผ่นศิลาใหญ่อันนี้ก็เป็นความคิดที่คิดไม่ถึงของท้าสกะตเทวราชไม่ควรจะคิดถึงพระรูปกายของพระพุทธเจ้าว่าเป็นอาจินไตไม่รู้ว่าความเป็นอจินไตมีอยู่ในแม้พระกายของสมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยคิดว่าถ้านั่งบนอนุกำปนศิลาอาจจะพระวรกายก็จะเล็กนิดเดียวก็จะดูไม่งาม ก็พระผู้มีพระภาคเจ้ า, จาเมื่อจะประทับนั่งบนปันทุกัมพลศิลาอาสน์นั้นทรงลาดผ้าสังาติคลุมอาสนะทั้งสิน้นก็คือโยนสังขติไปก่อนนะว่คลุมปันทุกัมพลศิลาอาสน์ได้หมดเลยท้าส ก, กะทรงเห็นอาการนั้นแล้วทรงดั่มิว่าผ้าสังขติผืนใหญ่พระผู้มีพระภาคเจ้ า, จ, าจะประทับนั่งในที่นิดหน่อยถึงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าคงจะนั่งที่มุมนิดเดียวเท่านั้น พระผู้มีพระภาเจ้าทรงทราบอธัธยาศัยของท้าวสักกะจึงประทับนั่งให้อาสนะทั้งสิน้นอยู่ภายในพระชงที่คูอยู่คลุมอาสนะทั้งสิน้นดุจพระมหาเถระผู้ถือผ้าบางสกุลนั่งบนตั่งน้อยอาสนะแม้จะใหญ่ขนาดนั้นก็ดุจจะไม่พอให้พระผู้มีพระภาเจ้าประทับนั่งท้าวสักกะก็ตะลึงงันไปเลยนะ ท้าสะกะัตถวราทรงเห็นเหตุนั้นแล้วทรงมีความสังเวชอย่างใหญ่หลวงทรงดั่ริว่าเราคิดเรื่องที่ไม่ควรคิดแล้วเราไม่รู้จักประมาณของตนก่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์อย่างนี้อันพระพุทธเจ้าทรงเป็นเช่นไรอันกำลังของพระพุทธเจ้าเป็นเช่นไรอันพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ที่ใครไม่พึงคิดอันกำลังของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ใครไม่พึงคิด เราคิดเรื่องที่ไม่ควรคิดแล้วเราจะขอขมาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นแล้วซบพระเสียรลงแทบพระยุคลบาทเปิดเผยโทษของตนแล้วขอขมาจริงอยู่พระวรกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นกรัชกายสำเร็จจากส่วนสามที่สองส่วนมีพระเกศาและโลมาเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงอาศัยท้องเมล็ดพันุ์กา แล้วมีพระวรกายเล็กบ้างก็มิใช่ทรงอาศัยอาสนะของทา้าวสกะแล้วมีพระวรกายใหญ่บ้างก็ม่ใช่และข้อนั้นก็ม่ใช่วิสัยแห่งอิทธิวิราชอันหนึง่งพึงทราบว่าเป็นเพียงพระอัตยาศัยเล็กน้อยพระรูปกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าใครไม่พึงคิดอย่างนี้ยังมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเล่ากันว่า อาสุรินทราหูมีขนาดร่างกายสูงสี่พันแปดร้อยโยต์อาสุรินทราหูนั้นสำคัญว่าอันผู้ที่มีอัตภาพใหญ่เสมอกับเราย่อมไม่มีท่านได้ฟังลาวเทวดาและยักษ์เป็นต้นกล่าวว่าอันผู้ที่จะมีอัตภาพใหญ่เสมอกับพระผู้มีพระภาคย่อมไม่มีท่านคิดว่าเราควรจะเข้าไปพิจารณาดูเหตุนั้นเราจะไปดูพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นดังนี้แล้วจึงมา ไม่เคยมาไม่คิดจะมาด้วยนะเพราะว่าคิดว่าตัวเองนั้นอัตภาพใหญ่เดี๋ยวไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็คงจะต้อ ง, งก้มหน้ามองดูเมื่อยคอเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มาแต่ว่าฟังกิตติคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะใครก็มาเปรียบเทียบว่าพระพุทธเจ้ามีอัตภาพใหญ่ความจริงแล้วก็ใหญ่ด้วยคุนนะนะแต่ว่าพระวรคาจริงๆก็ใหญ่ด้วยความเป็นอาชินไตก็เลยสนใจจะดูที่ว่าใหญ่แค่ไหนนะประมานะ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าอสุรินทราหูนั้นมาทรงพิจารณาดูว่าในเอริยาบททั้งหลายเอริยาบทไหนต่ำที่สุดทรงทราบว่าอิริยาบทนอนจึงทรงบรรทมเหยียดป่าพระบาทไปตรงหน้าของอสุรินทราหูนั้นครั้งนั้นอสุรินทราหูนั้นแม้จะมีร่างกายใหญ่ขนาดนั้นแม้จะยืนดูอยู่ในอากาศซึ่งเป็นวิสัยของตนทางพื้นพระบาทข้างปลาย ก็ยังมองไม่เห็นปลายพื้นพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับความสังเวชอย่างใหญ่หลวงได้ประคองอัญชฉลีอันรุ่งเรืองด้วยประชุมแห่งเล็กทั้งสิบทูลอ้อนวอนว่าพระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงอนุเคราะห์ผู้ทรงมหากรุณาทรงอาศัยความอนุเคราะห์ปรากฏให้ข้าพระองค์เห็นเถิดพระเจ้าข้าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าปรากฏพระวรกาย ประทับนั่งบนอาสนะนั้นนั่นและอสุรินทราหูเห็นพระวรกายทั้งสิ้นของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ประทับนั่งตามสบายซึ่งใครไม่พึงคิดไม่พึงรู้ไม่พึงเปรียบเทียบไม่พึงกล่าวพระรูปกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระวรกายที่ใครไม่พึงคิดเพราะส่งล่วงเลยวิสัยแห่งการคิดด้วยประการชนี พระรูปวิราะของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นใครไม่พึงรู้อย่างไรพระสารีบุตรเป็นต้นเทวดาและโธมเป็นต้นแม้จะมองดูพระรูปกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยในตาทั้งคู่ก็ยังไม่ถึงที่สุดแม้จะนาเหตุหลายอย่างอุทาหรณ์หลายเรื่องอุปมาหลายข้อมาพิจารณาด้วยปัญญาว่าพระรูปกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างนี้และเป็นอย่างนี้ ก็ยังไม่ถึงที่สุดพระรูปวิราชของพระผู้มีพระภาคเจ้าใครไม่พึงรู้เพราะร่วงเลยวิสัยแห่งมังสะจักสุทิพยาจาักสุและปัญญาจักสุด้วยประการฉนี้พระรูปวิราชของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นใครไม่พึงเปรียบเทียบอย่างไรแม้เมื่อบุคคลกล่าวว่าภูเขาตูเมรุรัตนะรุ่งเรืองวงล้อมด้วยสายฟ้าที่แลบอกอันกลมกลืนกับแสงเงิน กำลังเดินไปบนพื้นแผ่นดินพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้ก็ทรงเป็นเช่นนั้นคําพูดก็ไม่งามไม่สมควรเพราะเหตุว่าภูเขาสิเนรุร้อยลูกพันลูกหรือว่าแสนลูกก็เทียบส่วนแห่งพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าส่วนหนึ่งไม่ได้เพราะเหตุว่าในบรรดาภูเขาสุเมรุเหล่านั้นภูเขาสุเมรุแต่ละลูกพึงกระทําส่องจักรวาลแต่ละจักรวาล ให้มีแสงสว่างเป็นหนึ่งเดียวเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในจักรวาลแต่และจักรวาลเพิ่งเห็นอย่างเต็มตาทั้งสองภูเขาสีนรุกซองจักรวาลให้เป็นแสงสว่างได้ก็เห็นได้เพียงจักรวาลเดียวเท่านั้นแต่ว่าของพระจำมาสุนเจ้านั้นพันโลกธาตุพันจักรวาลเมือนจักรวาล น, นี้ก็เห็นได้หมดเลยส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบ น, บนบันลังเดียว ทรงแผ่พระรัศมีจากพระสรีระไปกระทําท่องสหัสสีโลกธาตุคือโลกธาตุอย่างเล็กพันโลกธาตุบ้างทวิสหสีมัชชิมิกะโลกธาตุโลกธาตุอย่างกลางล้านโลกธาตุบ้างติสหสีมหาสหัสีโลกธาตุโลกธาตุอย่างใหญ่แสนโกดโลกธาตุแสนโกดจักรวาลบ้างให้มีแสงสว่างเป็นหนึ่งเดียวด้วยพระรัศมีจากพระสรีระในโลกธาตุเหล่านั้น เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในแสนโกดจักรวาลมองดูพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่แม้จนตลอดชีวิตก็ยังไม่ถึงความอิ่มด้วยการดูพระรูปวิราตของพระผู้มีพระภาคเจ้าใครไม่พึงเปรียบเทียบเพราะล่วงเลยวิสัยแห่งการเปรียบเทียบอย่างนี้ด้วยประการชนี้อีกอย่างหนึ่งใครๆจะเป็นมนุษย์เทวดามารหรือพรหมก็ตามที่จะเสมอกับพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ด้วยรูปวิราชย่อมไม่มีในโลกแม้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเป็นผู้ที่ใครไม่พึงเปรียบเทียบพระรูปวิราชของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นใครไม่พึงกล่าวอย่างไรพระรูปวิราชของพระผู้มีพระภาคเจ้าใครไม่พึงกล่าวเพราะล่วงพลวิไสแห่งการกล่าวอย่างนี้คือสมณะบัณฑิตพรามณะบัณฑิตหรือเทวดาและพรมทั้งหลายเป็นต้น แม้จะพันนาความงามแห่งพระรูปของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นด้วยคำสรรเสริญนับร้อยคำนับพันคำหรือว่านับแสนคำก็ไม่ถึงความสิ้นสุดพระอาจารย์หมายเอาความนี้ในใจจึงกล่าวว่าอาจินต so ิยาดิตตมุปาคโตโยบุทตคุโนติโกโส พระคุณของพระพุทธเจ้าที่เข้าถึงความไม่ควรคิดเป็นต้นเป็นอย่างไรในคําว่าพระผู้มีพระพาเจ้าทรงเป็นผู้ที่ใครไม่พึงคิดด้วยยาณวิราชอย่างไรนี้ที่ชื่อว่ายานได้แก่อภินญญยาานสมาปฏิยานสัพพัญยุตยานยานแม้ทั้งหมดย่อมถึงการประชุมลงในยาณวิราชนี้นั้นเทียว ในยานเหล่านั้นยาในใดสัมยุตด้วยอุเบขาเอขกขะตาสัมยุตด้วยรูปประจรจตุตฌานีิริยาจิตยานนั้นชื่อว่าอภิญญาญาณเป็นรูปประจรจตุตฌานแล้วก็เป็นอุเบขาเป็นเวทนาอุเบขาเวทนายาในใดเกิดขึ้นด้วยอํานาจชานะสมบัติพราสมบัติและเนโรธสมบัติ ยานนั้นชื่อว่าสมาปัติยานหมายถึงการที่สามารถเข้าสมบัติได้เป็นชาณสมบัติที่เป็นมหากิริยาก็ได้เป็นผลละสมบัติซึ่งเป็นโลกุตระก็ได้ส่วนชาณกิริยาของพระพุทธเจ้าเป็นโลกียะนะที่เป็นกิริยาชิตเป็นโลกียะเป็นรูปปรจรเจตุจารันารูปประจรก็ได้แล้วก็ผลสมบัติเป็นโลกุตระนิโรถัสมบัตินั้นไม่เป็นโลกียะไม่เป็นโลกุตระ ราะว่าขณะนั้นเป็นการดับจิตเจตสิกอย่างนี้ชื่อว่าสมาปติยานสามอย่างก็คือชานสมาบัติพระสมาบัติและเนโรทสมาบัติยานใดมีสัตว์และสังขารอันหาที่สุดมิได้ในโลกธาตุอันหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์สหารคดด้วยกามวจรโสมนัสหรือสหารคดด้วยอุเบคาสัมยุตด้วยยานสัมยุตยด้วยอสังขาิกกิริยาจิต ยานนั้นชื่อว่าสัพพัญยุตยานหมายถึงมหากิริยาญาณสามยุทธของพระสมมาสามรุจเจ้าในที่นี้แสดงว่าเป็นทั้งโสมนัสและเป็นทั้งอุเบขานะเป็นอสังคาริกเพราะว่าเป็นชิ้ที่มีกําลังสามยุตยานความวิลาชแห่งพระยานนั้นพึงทราบด้วยยมกปาติหารก็ยมกปาติหารจะมีแจ้งในตอนต่อไปแม้ความที่พระยานวิราชนั้นใครไม่พึงคิดเป็นต้น ก็พึงทราบด้วยยานักติในคราวแห่งยมกปาติหารในคราวเสด็จลงจากเทวโลกและในคราวที่ทรงแสดงพระอภิธรรมพระสัตพันยุทธยานย่อมรุ่งเรืองดุจไฟล้างกัดรุ่งเรืองในแสนโกฎจักรวาลบุคคลจะพึงกล่าวอะไรแห่งแสงสว่างแห่งพระสัตพันยุทธยานแม้แต่พระรูปที่พระญาณอาศัยยังเป็นสิ่งที่ใครไม่พึงคิด แล้วมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้พร้อมทั้งเทวดาผู้เป็นบัณฑิตจะกล่าวพรรณนาพระญาณ น, นั้นจะกล่าวพรรณนาพระญาณ น, นั้นได้อย่างไรจะกล่าวได้ทั้งหมดได้อย่างไรแต่ว่ากล่าวนิดๆในหน่อยใ น, น, น, น, น, นกล่าวได้นะกล่าวตลอดชีวิตก็กล่าวได้เหมือนกันแต่ว่าพระญาณพระคุณนั้นความวิราชนั้นไม่หมดสิ้นในคาถานั้นมีอธิบายว่าพระสัพพายุตยานดำรงอยู่ ดุดกองไฟใหญ่เผาสัตว์และสังขารทั้งสิน้นรุ่งเรืองพร้อมๆกันในแสนโกจกรวานจนถึงพรหมโลกในคราวกับพินารู้แล้วซึ่งสัตว์และสังขารที่เหลือทั้งหลายในโลกธาตุอันหาประมาณไม่ได้ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันอันนี้ก็เป็นอำนาจของสัพพายุตยานกระทำให้มีแสงสว่างเป็นดวงเดียวกันรุ่งเรืองพร้อมๆกัน บุคคลจะกล่าวอะไรแห่งกองไฟคือพระสัพพัายุตยา น, นั้นคือจะพึงกล่าวถึงสิ่งที่พึงคิดด้วยจิตแล้วรู้ได้อย่างไรจะพึงกล่าวถึงสิ่งที่พึงเห็นด้วยญาณจักษุได้อย่างไรจะมีอะไรที่จะพึงกล่าวด้วยวาจาจะมีข้ออุปมาอะไรที่จะพึงนำมาเปรียบเทียบคำว่าเยนาธิวุฏฐรูปัมปิแม้แต่พระรูปที่พระญาณอาศัย คือพระรูปกายที่พระสัพพัายุตยานใดาอาศัยอยู่อาศัยได้แก่ที่อบรมด้วยจิตตัชรูปเป็นพระรูปที่ชักช้าแม้ไม่ประกอบด้วยอารมณ์ก็เป็นสิ่งที่ถึงภาวะที่ใครไม่พึงคิดเป็นต้นโดยในที่กล่าวแล้วในตอนต้นพระญาณ น, นั้นคืออันเช่นนั้นทองสว่างสิ่งที่พึงรู้ทั้งสิ้นดำรงอยู่ปกติแล้วรูปนี้ก็ เกิดดับช้ากว่าจิตถึงสิบเจ็ดเท่านะแล้วก็รูปที่เป็นที่อาศัยของพริญาณนี้ก็เป็นรูปทั้งสี่สมุทฐานนะ่ะแต่ว่าก็เป็นกรรมชรูปที่อบรมด้วยจิตตัชรูปด้วยนะคําว่าปันดิตาปิสะเดวกามนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งเทวดาผู้เป็นบัณฑิตคือมนุษย์เทวดาและพรหมทั้งหลายในโลกธาตุอันหาที่สุดนี้ได้ แม้รวมเป็นพวกเดียวกันจะสามารถกล่าวโดยประการใดได้แม้เมื่อกล่าวไปเท่าไรคำที่ยังไม่ได้กล่าวนอกจากคำที่กล่าวแล้วย่อมมีอีกมากก็พระยาณ น, นั้นใครไม่อาจจะรู้ตามความเป็นจริงเพราะละเอียดอ่อนยิ่งเมื่อไม่สามารถจะรู้ได้จะกล่าวได้อย่างไรถึงจะกล่าวก็กล่าวได้เพียงนิดหน่อยเท่านั้นที่ยังไม่ได้กล่าวเลยยังมีอีกมาก พระผู้มีพระภาคเจ้าใครไม่พึงคิดไม่พึงรู้ไม่พึงเปรียบเทียบไม่พึงกล่าวด้วยยาณวิราชอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าใครไม่พึงคิดด้วยวัจนวิราชอย่างไรที่ชื่อว่าวัจนคือพระสุรเสียงอันประกอบด้วยองค์แปประการความวิราชแห่งพระสุรเสียงที่ประกอบด้วยองค์แปประการอย่างนี้คือวิสัตโธสละสลวย วินเยโยชัดเจนมันชุไพเราะสวนิโยสนโสรพินดุกลมกลอมอวิสารีไม่เคลือไม่เคลือผ้าคัมพีโรหนักแน่นถือว่ารึกซึง้งนินนาดีกล้องกังวานนี่ก็เป็นพระสุรเสียงพระวาจาของพุทธเจ้าซึ่งเป็นดุดกับเสียงของพรมยิ่งกว่าเสียงของพรมซะอีก มีองค์แปดด้วยกันในชวนสภาสูตรที่ข้านิกายมหาวราวัตก็แสดงไว้นะเป็นธรรมชาติที่แจ่มใสชัดถ้อยชัดคำนุ่มนวล น, น่าฟังไม่แหลมเกินไปนะเสียงทุ้มชวนฟังเสียงก็ไม่แหบแพ้งลึกซึ้งแล้วก็ไม่ถึงกับไม่ถึงกับกล้องเกินที่เป็นเอ็โคนะแต่ว่าเสียงของพระองค์นั้นคังหวานมากกล้องคังหวาน พระสุรเสียงย่อมประกาศพรหมจันท ร, ร์นั้นใดงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนก็ในการใดพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงสแสดงธรรมอยู่ในท่ามกลางมนุษย์บริษัทธเทวดาบริษัทธมารา บ, บริษัทธ์กรมบริษัทธย่อมทรงมีเวสารัชยานสี่ประการใครๆจะเป็นสมณนะหรือพราหมณ์ท้าวสักกะเทวดา มานหรือพรมก็คัดค้านพระองค์ไม่ได้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจำนวนมากฟังธรรมแล้วย่อมโลมชาติชูชันคือคนลุกคนชันจิตเบิกบานเกิดปีติสมนัตย่อมพอใจการพิจารณาข้อธรรมย่อมถึงการบรรลุอริยมรรคการแทงตลอดสัจจะนี้เป็นความวิลาแห่งพระว จ, จานะนั้นเพราะฉะนั้นความไพเราะของไอยคา ที่ประกอบด้วยองค์แปดของพระองค์พระสวดเสียงดังเสียงของพรหมนั้นก็เป็นปัจจัยแก่การบรรลุอริยมรรคอริยผลเพราะว่าประกาศพรหมจันท ร, ร์งามในเบื้องต้นทางกลางที่สุดก็คือศีลสมาธิปัญญาทําให้รู้ถ้อยคําได้งา่ายประกาศอริยะสัจตีก็ทําให้สับสนทั้งหลายได้บรรลุอริยะทัศธรรมสาหรับเวสาลัชยานก็คือพระญานอันเป็นเหตุที่ทําให้พระพุทธองค์ทรงแกล้า ไม่ขึ้นครั่งในฐานะที่ใครในโลกจักทักท้วงพระองค์ไม่ได้มีอยู่สี่ข้อในดันสี่ฐานะก็คือข้อที่หนึ่งใครจะมาทักท้วงว่าพระองค์ยังไม่รู้ธรรมที่ทําให้ตัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นไม่มีพระพุทธเจ้ามีสัมมาสัมพุทธะปัจจิญญานะนั่นใครๆก็ไม่สามารถจะมาทักท้วงได้อันที่สองก็ใครๆจะมาทักท้วงว่าสิ่งที่พระองค์ทรงอ้างว่าอาสวะของพระองค์สิ้นไปแล้วเนี่ยแท้ที่จริงยังไม่สิ้นหรอกอันนี้ก็ไม่มีใครกล้ามาทักท้วง เรียกว่าคีนาสวะปตินญานะวันที่สามก็คือใครจะมาทักท้วงว่าทำที่พระองค์ทรงแสดงว่าเป็นอันตรายยิกรธ ร, รรมเนี่ยทำอันตรายกับผู้ที่ประพฤติมันไม่ทําอันตรา ย, ร ย, รายจริงหรออันนี้ก็ไม่มีใครกล้ามาทักท้วงนะตระงมีอันตรายยิกรธรรมเทศนาอันที่สี่ก็ใครๆจะมาทักท้วงว่าทมที่พระองค์ทรงแสดงว่าพูดปฏิบัติจริงเนี่ยสามารถจะนําออกจากทุกได้เป็นนิญานิกธรรมเทศนาเนี่ย ถ้าใครจะมาทักท้วงว่าเป็นธรรมะที่ไม่นําออกจากทุกข์ได้จริงอันนี้ก็ไม่มีใครจะมากล้าทักท้วงเพราะว่าพระองค์ก็สามารถที่จะปฏิ ญ, ญาบอกกล่าวได้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นใครไม่พึงคิดด้วยวัจนวิราชอย่างไรก็ถ้าอริยสาวกสี่สี่รูปซึ่งชดาเชียบแหลมแก้วกล้าบรรลุเจโตวสีเข้าถึงกําลังแห่งอภิญยา ฉลาดในปฏิสัมบิธาจะพึงมายัางสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอริยสาวกเหล่านั้นครั้นมาแล้วก็นั่งในข้างทั้งสี่ถามปัญหาสี่ข้อไม่สนใจกันและกันก็คือต่างคนต่างถามไม่ให้โอกาสแก่กันและกันในขณะเดียวกันคนหนึ่งถามสติปัฏฐานข้อพิจารณาเห็นกายในกายคนหนึ่งถามสติปัฏฐานข้อพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา คนหนึ่งถามสติปัฏฐานข้อพิจารณาเห็นจิตในจิตคนหนึ่งถามสติปัฏฐานข้อพิจารณาเห็นธรรมในธรรมก็คือถามเรื่องของสติปัฏฐานสี่แต่ละคนก็ถามคนละข้อนะกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตานุปัสนาและก็ธรรมานุปัสสนาต่างคนต่างถามไม่ได้สนใจกันในขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงวิสัชนาปัญหาทั้งสี่ข้อนั้นทรงวิสัชนาอย่างไรคือในการใด เงาแห่งต้นตาลมีประมาณหนึ่งคืบสี่นิ้วนักแม่นธนูยิงได้เร็วปานฟ้าแดดยืนอยู่ข้างในเงาแห่งต้นตาลแล้วปล่อยลูกศร อ, ออกไปลูกศรที่ยิงออกไปพึงล่วงเลยเงานั้นไปโดยขณะเท่าใดในขณะเท่านั้นพระผู้มีพระภาคเจา้าทรงวิสัชนาปัญหาสี่ข้อนั้นวัจนาวิราชของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นใครไม่พึงคิดอย่างนี้ก็มีความรวดเร็วชํานาญในการที่จะ แสดงธรรม ะ, ะโดยที่พระสาวกสี่รูปมาถามพร้อมๆกันนี่นะก็ทรงวิสัชนาได้นั่นก็เป็นความวิจิตเป็นความอปฏิหารเป็นความที่สามารถอัศจรรย์อย่างยิ่งจริงอยู่ในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเสวยในเรือนของตระกูลนั้นๆแล้วเสด็จกลับมายัางพระคันธกุดีระยะเวลาที่พระองค์ประทับยืนที่แผ่นศิลาล้างพระบาทแล้วล้างพระบาท พระธรรมที่พระองค์ตรัสโดยเป็นพระพุท ธ, ทธทวา่าแต่บริษัทที่ประชุมกันอยู่ย่อมมีประมาณเท่าทีคณิกายหรือมัชฌิมานิกายพระธรรมที่แม้พระองค์ตรัสโดยขณะเร็วพลันอย่างนั้นก็ยังเข้าใจง่ายสำหรับผู้ฟังอยู่ตามอักขรบทตามพยัญชนะบทประชาชนที่ฟังอยู่นั้นหลายชาติหลายภาษาเช่นชาวอังคาชาวมคต ชาวมัลละชาวปัญจาละชาวกุรุชาวทมินชาวป่าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงแสดงธรรมด้วยมูลและภาษาของชาวมคตเท่านั้นย่อมไม่ทรงแสดงด้วยภาษาอื่นถ้าสวดเสียงย่อมเข้าถึงวิถีโสตประสาท ต, ตามภาษาของแต่ละถิน่นของผู้ฟังเหล่านั้นพระวจนะวิราชของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นใครไม่คุ้นคิดอย่างนี้ ที่ไม่พึงรู้เป็นต้นพึงทราบตามทนองที่กล่าวแล้วในตอนต้นเพราะฉะนั้นผู้ฟังธรรมของพระผู้มพระภาคเจ้านี่จะเป็นชนชาติใดก็ตามนะก็าสามารถที่จะเข้าใจเนื้อความได้ก็เป็นเช่นกับได้ฟังเหมือนกับภาษาของตนเองเลยแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็าแสดงภาษามาโครสแสดงแสดงภาษาบาลีนั่นแหละโดยที่ไม่ต้องมีเครื่องทารสเตเตอร์เครื่องแปลงเสียงาจากภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่งเหมือนกับสมัยนี้นะนนในอดีตก็ เรียกว่าเป็นบุญยริ์อยากมากเป็นมหิทธิริตเป็นพุทธริตการที่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นใครไม่พึงคิดด้วยอิทธิวิราชอย่างไรคำว่าอิทธิก็คือฤทธิ์หมายถึงพระาญาณที่สัมยุญด้วยอุเบขาจิตเตกคตาสัมยุญด้วยรูปวจรจะตุตฌานะคิริยาที่ชื่อว่าความยุราชแห่งฤทธินั้นก็คือ ความที่พระพุทธองค์ทรงสามารถใช้ฤทธิ์ให้เป็นไปโดยประการต่างๆสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าอภินยาห้าคือหนึ่งอิทธิวิธีความรู้ที่ทำให้แสดงฤทธิ์ต่างๆได้สองทิพพโสตความรู้ที่ทำให้มีหูทิพสาพระจิตตวิชาน า, นาความรู้ที่ทำให้กำหนดใจผู้อื่นได้สปุเพนิวาสานุสติความรู้ที่ทาให้ระลึกชาติได้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 แม้ด้วยพระฤทธิ์วิราะด้วยประการฉนี้ดังนั้นพระพุทธรักขีตาจารย์เพื่อจะแสดงเนื้อความนี้จึงกล่าวว่าอกินติยาดิตตมุปาคโตโยพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเข้าถึงความไม่ควรคิดเป็นต้นด้วยคำมีประมาณเท่านี้ท่านพระพุทธรักขีตาจารย์กระทําการกําหนดว่าพระขันธสันดานที่บริสุทธิ์เป็นพระพุทธเจ้า และกระทาการกำหนดว่าความบริสุทธิ์แห่งขันธัสันดานเป็นพระคุณคาถานี้เป็นอันได้อธิบายเนื้อความแล้วด้วยประการชนิด่านพระพุทธรักิตาจารย์ครั้นกระทาการแสดงพระพุทธคุณทั้งหลายโดยสรุปอย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อจะถามถึงความบริสุทธิ์แห่งการประกอบทางกายและทางวาจา จึงกล่าวว่าอนัญญสาธารณะภูตะมัดถังอากาสิกิงโสกิมะโวจะกบุตโธพระพุทธเจ้านั้นทรงกระทำประโยชน์เป็นจริงอะไรทรงแสดงอะไรที่ไม่ทั่วไปแก่พระสาวกอื่นๆซึ่งก็จะได้ฟังกันในวันต่อไปนะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ศรัท ธ, ธาปีติประโมทในการน้อมนาคาสอนของสมมาสมเจ้าซึ่ง เป็นการประกาศพระพุทธคุณที่ท่านพระพุทธรคิตอาจารย์ได้แสดงมา น, นี้น้อมนำเข้าไปไว้ในจิตในใจปลูกฝังศรัทธาปีติประโมทให้เจริญยิ่งขึ้นเพื่ออบรมศีลสมาธิปัญญาเพื่อความประชุมพร้อมแห่งผูีิปกักยธรรมอริยมรรคมีองแปดเป็นต้นขอให้ได้บรรลุอริยสัจธรรมในชาตินี้โดยทั่วกันเทินสาธุสาธุสาธุ